ตอนเช้ารับรุ่งอรุณหลังจากพวกเราได้พักผ่อนหับนอนมาเหมาที่จะรับศินรับธรรมได้จิตใจบางบางไม่ยังไม่เปิดเพื่อนอะไรก็เหมาะแต่าการบรรลุธรรมได้เหมือนพระพุทธเจ้าของเราท่องหลอยได้ตรัสรู้เวลาที่สี่ทีห้า ดุ่งอรุณจากการศึกษาสั่งสอนตัวเองมาในวันตัดสู้ ป, ปริญิาพานประสูตผ่านมาสามสี่เดือนนี่หลวงตาก็ไปเฝ้ารับตัดสูพ่พระเจ้าอยู่ที่วัดโมกมีหลายชีวิตที่ไม่รับไม่นอน เดินจงกมนั่งสมาธิที่นั่นก็มีผู้ที่มีศรัทธามากเหมือนพวกเรามารับฟังธรรมอเทศสนาของพระเจ้าในวันแสดงธรรมในวันพระสงฆ์เปิดขึ้นในโลกเมืวว่อวานนี้ในฐานที่พวกเรา เป็นหุ้นส่วนหรือว่าบริษัทมีภิกษุมีแม่มชีมีอุบาสกมีบาชิกาลงทุนมาสร้างวัดสร้างวารวาลูกวหลานแห่กันมาจากไกลๆตำบลให้ทานรักษาชีนิเือยเฉละมาถึงที่นี่ไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบางคนแม้แต่การถือบวชก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นเราจึงในการลงทุนกันถึงปาทนี้อะไรที่เราควรจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันในทางธรรมะในทางภาษาศาสนาเราก็มีแล้วว่า วร ต, ตระไตรพระพุทธประถมพระสงค์อยู่ที่ไหนหรือว่าพุทธทังสรนังกาจามิธรรมังสระนังกาจามิสังขังสระนังกาจามิเท่านั้นหรือเยหลวงตาไปสอนธรรมที่ประเทศจีนเขาหัวตจถามบางคนนะธรมอย่างนี้จะเข้าถึงสุขวดาได้ไหม ตอนอย่างนี้เจอถึงอมิตตพุทธได้ไหม้ำหวานก็มีคนหนุ่มน้องอยู่นี่หรือเปล่ามาถามหลวงตาว่าหลวงตาจะสอนฌานให้ผมได้ไหมสนใจเรื่องฌานเรื่องอมิตตพุทธเรื่องสุขาวดีอันเป็นเรื่องที่อ่ ใส่ใจแล้วนั่นก็มีเหมือนกันแล้วก็ตอบว่าแน่นอนที่สุดอะไรเป็นสุขวดีของคุณอะไรเป็นอมิตรพูดของคุณอะไรเป็นฌานของคุณฌานอย่างยิ่งคือยังไงอาฌานแบบไหนสหาคตเจ้าพระสมเด โคดมของเราไปศึกษากับอาจารย์นั่งสองอุตกาดาบทละทร า, าราบทอุตกาดาบทได้ฌานสมาบัติเกตต่อไปถึงอาดาลราบทได้ฌานสมาบัติแปดจบทันทีนั่นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเลยคนจะชอบฌานแบบไหนได้แบบนั้น ก็นั่งสงบไม่ต้องทำรายบริกรรมพุทโธพุทโธปลอยไม่รับรู้อะไรแต่ชานอย่างยิ่งคือลไรคือมีสติแล้วแลวอยู่อ้ยเจ้าเข้าสู่ปริพัน์ตรงนี้ระหว่างชานที่สี่ฌานที่ห้าไม่ใช่ชานแบบไม่รู้อะไรทำรายสังขารวิญญาณ ดับสนิทไม่มีเวทนาในเวทนาไม่มี จ, จิตในจิตไม่มีอะไรเป็นสัญญาณเวทยิฐที่โลดมีสติแล้วเราอยู่นี่เป็นฌานที่ทำไมถึงมากถึงผลไม่ใช่ฌานแบบนั่งหลับเราก็ไปสอนทอมที่บางกีน เราก็ถามว่านั่งหลับตากับไม่หลับตาดียังไงก็ได้ทั้งสองอย่างหลับตาก็ได้บางโอกาสไม่ใช่ตลอดไปลื่นตาบ้างโอกาสไม่ใช่นั่งหลับตลอดไปก็เลยให้จานโนดนั่งหลับตาทําสมาธิยอยู่ให้เขาสาธิตแล้วก็ อนอลกาไปวางไว้ข้างๆก็อพอจา น, นุต้องหลับตาก็บอกพระจีนลูกนั่งลุกขึ้นไปไปหยิบนายกาหนีจานุก็นั่งหลับตาอยู่พอหลับตาขึ้นมาจานุก็มองหาลกาไม่เห็นไม่รู้ว่าใครไปไหน ถ้าเราเลื่นตาจะเห็นไหมเขามาลักมาลิกาเราไปเราจะเห็นไหมบางทีรักษาตัวไม่ได้นั่งหลับตาหลับตาเคยมีงูเห่าจะมานั่งอยู่ในตักมันจะเลื่อยมาถ้าหลับตาแล้วก็แย่แล้วเวลามันเลื่อยมาขึ้นเข่าเราจะทําไงเราเราก็ไม่ ไม่ได้รู้อาจจะไปตบงูงูกัดเอาตายไปแล้วมันเราก็เลืนตาเห็นมันอยู่เอาก็ไม่ขีดไฟโยนใส่หัวมันมันก็จิงรู้ว่าเป็นเราเราก็นั่งอยู่นิ่งๆอยู่เนี่ยมันก็ชูคคู่เรา ว, าว่ามันจะพ่นพิษน้ำลายออกมาเลยเอาจีวร บางว่าอย่างนี้ถ้ามันพื้นพิดพมาก็จะให้มันไม่ถูกตา <laughs> ถ้าประกฏมาเจ้าจีวอคุมหัวมันก็มีจีวอในป้องกันอะไรป้องกันเหลือบจุงลมแดดและฉัดเลยคารเอาปกหัวงูห่าก็ได้ไม่กัดเราได้นะรื <laughs> ่นจอถ้ารับตาแล้วก็ไม่ดีแล้วบางโอกาส คุณจะเลือกเขาเองไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูกมัวแต่คิดกันน้ำไหมฮะมาเข้าทางเถอะเราเอาอะไรมาต่อรองกับการทำความดีถ้าทาดีต้องได้ต้องไม่ได้ไม่ใช่แล้วเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกไม่ใช่แล้วเป็นผู้ได้ผู้ไม่ได้ไม่ใช่แล้ ว, ล ว, ลวต้องเห็นนี่คือทาง เวล า, าเกิดอะไรขึ้นเห็นเนี่ยเห็นคือดูเนี่ยเป็นเป็นมรี่ชุดเลยทวยเจ้าจึงบอกว่าอาริมรักอย่างที่เราสวดบางทีเนี่ยอริมรักษ์ริมรักคือดูคือทางไม่ใช่ทางเหมือนเราเดินบนดินในโลกมันเป็นทางเดินทาง จ, จิตใจคือดูเข้าไป ลืนตาขึ้นมามีสติมีสำจะเห็นถ้าเห็นแล้วมันจะมีความรู้สึกตัวมันจะเห็นแม้กระทั่งความหลงเห็นมันหลงไม่ใช่เป็นผู้หลงนี่คือมันก็ไปแล้วพาเราไปแล้วพ้นจากความหลงไปแล้วเห็นมันผิดไม่ใช่เป็นผู้ผิดมันก็ผ่านความผิดไปแล้วเห็นมันถูก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 เอาความหลงไว้หลังเอาร้อยไว้หลังเหมือนเกินเดินทางแ ท, แท้ๆมันมีมกักมีผลอย่างนี้เราหลงไ้เราหลุดพ้นได้ความทุกข์ความโกรธความวิตกควกมโวนสศมองที่มาเกิดขึ้นมีกันทุกคนไม่ใช่ฟรีเลยเห็นทุกคนว่าแต่เห็นแล้วก็มีสติคือดูมันไม่ใช่ไปจ้องดู แล้วก็มีวิธีที่จะกลับมาเคลื่อนไหวมืออย่างคุณหมอทำอยู่เนี่ยนี่คือทางของเราเลียมรักของเรามาเข้าทางนี้มาจะไปสู่มรรคสู่ผลวันหลงรูปพรมหลงเป็นมรรครวมลูเ ป, ล ป, เ, เ, ปเป็นผลไปในตัวเป็นมรรเป็นผลไปในตัวสุดเลยเป็นดั้งศินเป็นทั่งสมาธิเป็นทั่งปัญญาไปเลยทีเดียว เป็นทั้งหล่ความชั่วเป็นทั้งทคำความดีถ้าไม่จิตบริสุทธิ์ไปเลยทีเดียวหวมถูกต้องต้องหลอยไปเป็นพวงลอยมันไม่ยากถ้าทำให้ถูกเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกเป็นผู้ชกเป็นผู้ชกเป็นผู้ได้เป็นผู้เสียเหมือนจิ้งขากขึ้นเขามันก็ยากถ้าเราเห็นมันง่ายๆเหมือนจิ้งโคกหลงเขาก่อนปฏิบัติธรรมไ ทุกขาปฏิปทาเอาความยากคนม่ายมาต่อรองจะเอาสุขเขาดีให้ได้จะเอาอมิตะพูดให้ได้จะเอาฌานให้ได้มุ่งอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ไม่ต้องการอะไรเราจะดูวันเนี้ยมันจะมีอะไรนี่คือทางเรยกว่ามรคคือทางคือดูคือเห็นไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่างนี้ เป็นทางด่วนๆนะทางสายนี้ฟรีเวเงินทางที่บ้านคนหมอคงสักก็ <c oughs> รู้ว่าฟรีเวยใช่ไหม <c oughs> บ้านเราไม่มีนะฟรีเบยเนี่ยคนหมอพาไปเที่ยวทั่วๆไปไปเข้าไปร้ำเสือลายป้นรถไฟมาฟรีเบคืออะไร ผ่านแต่เพื่อเพื่เวนี่มีแต่รถนั่งนะไม่มีรถบรรทุกไม่มีรถโดยสารใช่ไหมคุณนท์มีแต่รถนั่งเขากาหนดได้จากบ้านไปที่ทํางานไปในวิ่งรถประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีสี่สิบนาทีได้ไม่มีเสียเวลารถไม่ติดแล้วรว่าฟรีเวทแล้วเรามีออเวมีอะไร ไม่รูร้ดอยด่วนก็ยังติดนะเขาหนึ่ฟรีเว่ยไม่มีติดแล้ววิ่งได้ทั่วประเทศเขาบ้านคุณหมอของศักดิ์นะทางเนี่ยมันมีฟรีเว่ยยังไงเห็นแล้วไม่เป็นฟรีเว่ยไปแล้วผ่านไปแล้วอะไรที่มันเกิดในเนี่ยแปดหมืสี่พันอย่างเกิดกับกายกับใจนี่มีแต่เห็นนี่คือทาง มันไม่ยากพระเจ้าจึงสอนในสิ่งที่ทําได้พระธรรมวันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วจะต่อก็ไม่ได้จะตัดก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเองอาศัยใครไม่ได้จึงมีรูปแบบอย่างไหนไม่มีวิธีใดที่ช่วยกันได้จึงมาเป็นเพื่อนกัน กันและยาลมิตรกันไอ้เป็นสิ่งเวทร่วมจากนี้งั้นเราสวดกันละยละมิตรนี้เพื่อไม่ใช่จะมีความสุขเหมือนพระนนถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจา้าไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั้นทั้งหมดของผมอมจันท์นี่คือเรามาเป็นมิตรเป็นอันเดียวกันศึกษาเรื่องเดียวกันต่างคนต่างมีความรู้ ถ้าทุกขีวิตมีความรู่มก่ากแล้วความชั่วทำความดีไม่มีปัญหาอะไรหลวงตาหลว ง, งปู่โมกบวนเนี่ยก็พูดกับพระสงฆ์ทั้งหลายนะว่าที่นี่ไม่ใช่นักปกครองนะเราไม่ปกครองใคร <laughs> ไม่ใช่นักปกครองให้ท่านปกครองตัวเองคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองให้มันคุ้ม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 มันผิดมีใครเห็นผิดที่เรามันถูกมีใครเห็นผิดที่เรามันทุก Ugh. มีใครเห็นกับเราบ้างนั่นก็ต้องเห็นเลยไปเปลี่ยนเลยไปมาถึงภาวะที่รู้ความหลงแท้ๆทำห้เกิดความรู้ได้ความผิดทำไมเกิดความรู้ได้ความถูกทำไมเกิดความรู้ได้ความสุขความทุกข์ทำไมเกิดความรู้ได้ปัญหาทำไมเกิดปัญญาได้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 มองเป็นสองมุมสองด้านพระพุทธเจ้ า, าสมัยเป็นศิท ธ, ธัตถะมองชีวิตแบบสองมุมเห็นประพาสกบินลพัตเห็นเกิดการแก่การเจ็บป่วตายคนตายก็พากันร้องไห้เศร้มองเห็นการเกิดก็พากันช่วยกัน แสดงว่าเห็นการเจ็บพระโอ้ทรมานเห็นการเจ่งงงกงเนเงื่อ น, นล้องตาต้องไปทางไหนต้องอไม่เท่ายืนถอดลองเท้าขาเดียวไม่ได้หรอกนกนกใส่ลองเท้าขาเดียวไม่ได้ต้องมีไม <c oughs> ่เอ๊ะบรรยากาศไขนาดนั้นเจ้ า, า, ธธา้าชายศิรตถะอายุเพียง 16, สิบหกพรรษาเห็นเรื่องนี้มองแบบ ไม่ยอมถามพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายไม่มีใครตอบได้เลยจึงเป็นการบ้างของศรีรษะในฐานะที่เป็นเจ้าพ่อชายต้องรับผิดชอบลรื่อนี้ให้ได้เดินถึงอายุยี่บเก้าปียีิบเ้าพรรษาพระชนาอายุยีิบเก้าพรรษาหาศึกษาเร้น่นี้ลองดูเห็นสำนะเออพอมีทางที่ศึกษาได้เป็นชีวิตส่วนตัว ตอนท่านี้เราหงุนเกิดเพียงได้เจ็ดวันโลก็ไม่ได้แล้วนี่วิ่งจะแล้วัปเลยเหมือนทางที่ต้องวิ่งให้เร็วที่สุดโดไม่ได้ตื่นจะดึกสึกตัวหนุ่มที่สุดพระองค์ก็ไม่ยอมเมื่อไม่เกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อไม่แจ็ต้องมีไม่แจเมื่อไม่เจ็บต้องม่ไม่เจ็บเมื่อไม่ตายก็ต้องมีไม่ตายแน่นอน บอมันี้เรื่องตรงกันข้าเหมือนกับมีความมืดมีแสียงสว่างมีร้อนมีหนาวมองเป็นคู่อย่างนี้ไม่ยอมศึกษาแล้วนี่จึงเอาชีวิตเป็นตำลาไปเลยไม่ใครเป็นคู่้นดา่า้ายทั้งหกปีจนจนที่สุดความจนในทางที่จะเอา ศึกษาเลื่องนี้จนจนจ น, นอนละมีปัญญามากผิดก็ได้บทเรียนถูกก็ได้บทเรียนทุกก็ได้บทเรียนสุขก็ได้บทเรียนแต่ไม่ยอมไม่ยอมสุขไม่ยอมทุกเพราะชีวิตของวัฒนะวัฒนามันเปลี่ยนหัดเปลี่ยนบ้างเราเอาอยางโพธิจ้าเมื่อพองเลย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 คนทำงานนั้นก็เราทำนาชาวนาชาวไล่ไร่ที่เราไอ่พ่อทายกจงเป็นร้อยไร่ปลูกอ้อยปลูกไปแล้ววันนี้ปลูกสองไร่สามไร่สามวันได้ยี่สิบไร่สามสิบ ไ, ไ, ไร่ห้าสิบไร่8ปดสิบไร่เก้าสิบไร่เหลืออยู่ไร่เดียวมันก็ท้าถายเลย เหมือนเราทำนาใกล้เสร็จหรือยังอีกสองสัปเหร่นเสร็จอีกสองสันเหสร็จแล้วก็มั่นใจอย่างแน้มันก็อะไรบางผ่านไปก็ผ่านไปจริงๆเหมือนพระอา น, นุ์ใกล้จะป่าใกล้จะฉังขายนาเราให้พระอ น, นุนเนี่ยเป็นพระผู้สูตรผู้ที่ได้สรับรับฟังมามากจากครูพระเจ้า ขาดอานนท์ไม่ได้แต่อานนท์เป็นปุติชนอยู่แต่รู้มากพระมหาคสปะจึงให้อานนท์ต้องรีบบาเพ็ญเพียรให้ไวที่สุดเพราะต้องทำสังกาณาแล้วอานนท์ก็ทำงันใหญ่คนมีความรู้จนไม่หลับไม่นอน มันเห็นมันเราไมีความรู้เนี่ยบคนหมอไมีความรู้ส่งให้กีโมหลวงตานะก็มั่นใจอย่างนี้ข้าเจ้าปฏิเสธวิธีการรักษาอื่นใดทางนี้คนไม่คว้ามาไอ้ดโดนก็มั่นใจว่าเอาแล้วเอาแล้วเห็นกระแสแสงเงินแสงทองขึ้นเอาละทางนี้น่นอนไม่หลับไม่นอนจน จนแสงทองขึ้นโอ้ยตลอดขึ้นน้อเราไม่ได้พักผ่อนเงียบสักหน่อยแตอนะอันคารว่าเงียบสักหน่อยเพื่ออะไรเพื่อต่อสู้นะไม่ใช่ขี้เกียจหรอเหมือนเราใช่ไหมเมืเราก็ง่วงนอนก็เอาเลยให้กวามง่วงพานอนแต่นอนุนนอนนี่ไม่ใช่นอนเพราะเพราะสองขา น, นตรงกลางจะพักผ่อนเพื่อต่อสู้กัน หัวเอ็นลงคือขณะนั้นวางใจทุกอย่างแล้วไม่ขุมเกินว่าเอ็นหัวลงยังไม่ถึงหอนเลยได้บรรลุธรรนั่นดี <laughs> เพราะนั่นนะบางทีก็ต้องหยุดหวนใช้เมือนเราตาพูดว่าต้องหยุดวางอย่ารีบอย่าล้อนเกินไปน้ําร้อนป่าเป็นน้ําเย็นป่าตาย เป็นไปได้บางทีเราวางใจสู่ปกติได้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนบางคนลูกศิษย์หลวงก็เทียนเก็บว้ายในไล่เก็บป้ยไม่อยู่ในรูปแบบนะเก็บป้ายอยู่ในต้นเก็บมาใส่พวกพา่าลูกสึกตั ว, ตวรู้ตัวได่วัลลุธรรมก็มีเขาเป็นอาจารย์ของเรารุ่นแรกๆนะ ส่วนมากจะเป็นโยมอว่เทียนก็เป็นโยมสรนธรรมะทีแรกไม่ใช่เป็นพระแบบนี้นะท่านบวชเป็นพระมาสอนที่แรกก็มีรุ่นหลวงตาเนะี่ยเป็นรุ่นแรกนอกนั้นมีแต่โยมนะ <c ười> คือไม่ไม่ถนัดนะจะให้โยมมาสอนพระเนี่บางทีไม่ไม่ถนัดใช่ไหมล้วก็มีอุปทานแบบเลือดเนื้อเชื่อไข <c ười> อพอหลวงพ่อเทียนบวชพวกเราเป็นรุ่นแรงส่วนมากเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีพี่เคยหลวงพ่อเทียนพ่อหนอมเราเคยเป็นสปัดกับผลพวกนี่มาห้าร้อยสิบมาร้อยสิบเป็นโยมไม่ได้บวชเลยเนี่ยเพราะนั่นเนี่ย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 อาใช่แค่ไม่ได้เวลาเราหลงก็ต่างเวะลากันไม่ใช่ตีข้องรองเปล่าคนนั่นหลงคนนี้หลงไม่ใช่เลยรูปเป็นส่วนตัวจึงควรชวนมาดูโอเอหิปฏิก e ูมาดูมาดูมาดูเรื่องนี้กันจึงมีสำนักสโกโตคนมาเพื่อพิสูจน์เพื่อท้ท า, ายเรื่องอย่างนี้กันไม่ใช่เราเพื่อเป็น อะไรบริวารพวกข้องมาใช้เลยทีเดียวต้องการให้มาพิสูจน์ร่วมกันดูโอปนั่ยโกน้อมาดูเวลามันหลงง้อมความรู้มาใสา่เวลามันถูกน้อมความร่วมาน้อมเข้ามาห่อยใจอ้อนวอนมันก็มีอยู่แล้วยกหมือขึ้นรู้จึกตัวเดินก็รู้จึกตัวห่อยใจก็รู้สักตัวได้น้อมมาแล้วก็เป็นปัจจัตตัง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 แต่เลยดูดูดีๆไม่มีไม่เป็นอะไรมันไม่ใช่เรื่องคำพูดเป็นเรื่องที่ชีวิตของเราได้จริงๆ เ, เหมือนหลวงตาไปสอนคนกรีนเขาบอกว่าเบื่อหลางมีอยู่สองรูปในโลกนี้อยู่ในกวงตุ้มรูปหนึ่งคนหนั่งชีวิตหนั่งอยู่ในเมืองไทยชีวิตหนึ่ง อยู่ในมังไทยก็ใครเ้หลวงพ่อเทียนคเขาคเนี่ยคนหมอเพราะว่าหลวงพ่อเทียนไปเว่ยหลางของมังไทยฮะอ่าเว่ยหลางหลวงหลวงพ่อเทียนนี่ก็นี่แหละคือท่านสอนว่าเห็นนะอยากเป็นนะหลวงตามีความสุขมากปฏิบัติธรรมรู้จักรูปจบนามเนี่ยหลวงพ่อเทียนมาบอกว่าเห็นมีอะไรรู้อะไรมากรู้ครับรู้อะไรอะ่ะ รู้จั ก, จกลูบรู้จั ก, จากนา้านะคนไม่รู้จักลูบน้ำกับคนบ้าแล้วเว้ยครับผมเป็นบ้าครับสมัยก่อนเนอะเดี๋ยวนี้ผมไม่เป็นบ้าจะแล้วไม่มีประโยชน์รู้จักลูบนา้เพราะบน้นนละ่ะตังเถียงอย่มีสิครับหลวงปู่หลวงพว่อมีประโยชน์มากความทุกข์ของผมมันลดไป หมดมันมีความสุขมาเทอคือสุขก็แบบกบโครกรู้จะกบโคกไงกบโคกตะเกียกตะกายมามาเจอบวกน้นาน้อย ล, อล้องลันไปเลยไม่รู้ว่าหน้องบึงมันมีใหญ่กว่านี้กบโคกลงตาเป็นกบโคกสุขก็สุขแบบกบโคก ลู่หรือปล่าว่ามีหนองมีเบึงอยู่ข้างหน้าจะเยอะไปเลยหดยาวแลวใจโอ้ยหงพ่อเทียนดาเราลึกๆน้องอแต่ก็ควาสุขก็อย่าเป็นผู้สุขให้เห็นมันสุขอย่าเข้าไป อ, อยู่ในความสุขถ้าเป็นผู้สุขเราไปไม่ได้ละตันไปแล้วสุขาปฏิปทาทันทะปัญญา สุกติดสงบพระกบันถาทั้งหลายตายอยู่ในความสงบนี่เท่าไหรเท่าไรไม่รู้ในประเทศไทยไปติดความสงบติดสุกพอตั้งพระพก็เอาเลยเสงบนี่ไม่รู้เลยต่ไหมสร้างพระไจสิงรุ่นแรกในประเทศไทยสองตาเป็นผู้เป็นหัวหน้าด้วย ก, กันกับจาทร์ทองใหม่ นำพระใจเสียงรุ่นแรกเกสิบลูกป๋าไปนั่งอยู่ที่ไหนคนนั่งหลับตาคนมาได้ทราบว่าพระใจเสียงมาเข า, า, าก็มาทำบุตะางๆเป็นนั่งหลับตาให้คนเห็นไม่ใช่หลับเฉยๆนะนั่งสงบบางรูปลอยไหลเออ <c oughs> เราก็เดินดูเพื่อนมาพูดบาอสอน เขาอยากให้นั่งหลับตาให้คนเห็นมันไม่ใช่นั่งหลับเฉยๆมันน้ำลายไหลมันอ้าปาสปโโอกสะพูโมเพาก็หคยกินเหมือนนั้นให้มารู้สึกตัวเถอไปพูดที่ไหนเธอเขาโกรธเลยพูดที่เวลาใดเขาบ้างว่าแต่นั่งหลับตาหลับตาเพราะมันติดน ะ, ะมันติดกัน ต้องลื้นตาดูบ้างเคลื่อนไหวดูบ้างมันก็มีรสชาติณความสงบเนี่ยนั่นจึงฝึกตนสอนตอนลงพ่เถียนบอกว่าอย่าไปติดสุขเห็นมันสุขอย่าเป็นผู้สุขมันทุกข์เห็นมันทุกข์อย่าเป็นผู้ทุกข์ให้เห็นให้เห็นมันไปไม่ปืกเพื่อนกับสิ่งใด การไม่เปิดเพื่อนกับความสุขความทุกนี้เรียกว่าประพฤติพงศ์จันท์โปริรีชุดโบริบูรณญเช่นเชิงทั้งกายทั้งใจของเราเดี๋ยวนี้เราเปิดเพื่อนอะไรมามาเอาความสุขมาด้วยความทุกข์มาด้วยเอาความรักมาด้วยความเจริมาด้ว ย, ว ม, ม, วยมันเพื่อนมาอนดาก็ บ, บวชพระเมื่อวานนะี่มาอยู่ในบวชแล้วอย่าเอา อย่าเอาอดเก่ามาเคยมีแฟนเคยมีอะไรความสุขความทุกข์เอาทิ้ไงไปทั้งนอกก่อนเดี๋ยวนี้เรามาประพฤติประมจรรย์ให้บริสุทธิ์มีสติมีจอมัญญะไม่ใช่มาห่มผ้าเหลืองเฉยๆชำระจิตใจออกกลางเคยมีมครอบไหมีัวผัวเมียเคยมาก็ไปคิดถึงลูกถึงเมียไม่ได้นะคิดก็ไม่ต้องคิดนะเรามามีเพศสมาแล้ว อาการใดของชำนาะญต้องทำอาการชีนต้องสงบทำเงยน็นนี่คือเห็นมันต้องเปลี่ยนแปลงอย่ามันเปืเป้อนเกินไปบางทีเราความรักมาด้วยเอาความชังมาด้วยเอาความห่วงความอะไรอะไ ร, อะไรวอนมาด้วยมันก็เป็นปริโพธไปไม่ได้จึงเสียชละบ้างเวลานี่เรามาเห็นมันอะไรมันเกิดขึ้นเห็นมันเห็นมันเห็นมันไม่เป็นกับอะไรเลย นี่เพื่อหลังหลวงพ่อเทียนสอนพวกเราโลกไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยพูดว่าไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรในโลกเนี่ยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเกิดไม่มีเจไม่มีเจ็บไม่มตายไม่ได้เห็นมันนี่ยอดเยี่ยมนะเท่านั้นมาตรฐานนะมาตรฐานในชีวิตของของเราทุกคนนะถ้ายังเป็นอยู่หรือว่ายังเปิดเื่อนอยู่เป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์อยู่ มาฝึกตรื่องนี้มีสติแต่ว่าไม่มุกเรื่องนี้อย่างเดียวแต่ต้องฝึกนะการฝึกนี่ทำให้เป็นนะไม่ใช่ลู่นะกรรมฐานไม่สอนให้ลูนะ่นะนกสอนให้เป็นสอนให้ทําการสอนให้ลู่นกกปจบมาแล้วจนไปทํา ง, งานต่างประเทศเป็นอาชีพอย่างสบายเลยทั้งผัวทั้งเมียอมา <laughs> เป็นคนอเมริกันแล้ว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 ตามชีวิตเรามาถึงป่านนี้หลงจนตายโกรธจนตายทุกจนตายไม่ใช่รู้สิ่งเหล่านี้มันทำเป็นแต่เนี้ยมันเป็นขั้งสุดท้ายพูดเล่าพูดอีกนะความหลงเป็นขั้งสุดท้ายได้ความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายได้ความโกรธเป็นขั้งสุดท้ายได้ มันจบสิ้นไปจะจบกันตรงนี้กันหรือว่าสถาบันเคยชีวิตของเราเนี่ยการย์งจงเสด็จขึ้นไ ป, ไปสถาบันเลยทีเดียวสถาบันสติปัฏฐานเพราะมันต้องจบที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเนี่ยที่รูปธรรมนามธรรมเห็นความหมาเที่ยงจบแล้วเอาความหมาเที่ยงมาเป็นทุกข์ทรมิตเอาความไมาเที่ยงมาเป็นปัญญาเป็นมรรคเป็นผลไปแล้ว ปุถุชนเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์แต่พระอริยเจ้าเอาความไม่เที่ยงมาเป็นมรรคผลปุถุชนเอาควมทุกข์มันเป็นทุกข์ต่อไปเรื่อยๆไปแต่พระผู้ติเจ้าเอาความทุกข์มาเป็นมรรคผลในพรานมันเปลี่ยนได้อย่างนี้นะนั้นเปลี่ยนได้เนี่ยปฏิบัติธรรมธทําอย่าง น, าางนี้ไม่ใช่จะมานั่ง หลับหูหลบตายกมือช้างจังหวะอย่างเดียวเป็นส่วนประกอบในวิชาในรูปแบบเหมือนเราจะหล่อเสาอย่างนี้ต้องเข้ากรอบเช่นกันเพื่อให้มันเป็นแบบของเสาแบบของพระก็มีทำไว้ไหนทำไว้ไหนมีศีลมีธรรมเนี่ยมันเป็นแบบช่วยได้แต่รูปแบบที่เป็นผ้าจีวรโกนผม ว่าเขาคนผมมันเป็นรูปแบบที่มันช่วยได้แต่เาไปบินธบาตคนเขาใส่บาทมันซึ้งหัวใจเราสมควรจะรับบาทสมควรจะรับทานชาวบ้านเหลวเปล่ามันก็มองตงัวเองมันเป็นธงชัยของพระอหรหันต์เนี่ยเจ้ากาสาวพัฒเนี่ยพก่กอกระแม่กอกระพระเจ้าเป็นเจ้ากาบเรายังเป็นคนชั่วเหลวชาม ที่ใจต่อมซอมอยู่ไม่ได้ต้องพัฒนาตนเองประมาทไม่ได้ถ้าขี้เกียจขีค้ค้านเรามาบวชถือเขาถือหลังไม่ได้เนะจะมานอนกลางวันอยู่คุยกันโอ้ยไม่ห่พระพุทธเจ้าด่านะที่สุดทั้งหลายถ้าพอเคยคุยกันอย่างนี้ไปนอนดีกว่าตั้งแต่การนอนก็เป็นการเร็วซ้มอยู่แล้ว ถ้าเธอมาคุยกันอยู่นี้มัวกันอยู่เนียพากไปนอนดีวกว่าเพราะจิตใจจะไม่พุ่งสร้างได้พักผ่อนดีวกว่าทั้งที่การนอน เ, นเป็นความเกียดข้านเรียกว่าคุณียาโยอย่าเห็นเจอนอนมากนักอยาเห็นเจนกินมากนักเรียกว่าเ ป, เ, ปเป็นทางขวางกั้นในพรหมาจรรย์ของเราเพราะเราถือ ที่วาไปบินธบาติข้าวตกบาทนั่งอยู่คำประกาศมาไหว้เรามันเจ็บใจนะถ้าเราไม่มีสิ่งไม่ทำเป็นบุคคลเน่าในเปียกแขะใช่ไหมเ <laughs> น่าในเปียกแขะเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยปกปิดซ้นเล่นไม่ใช่นักปวดก็ถือว่าโตเป็นนักปวดไม่ใช่พรหมจรรย์ก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ เป็นมดเทสโกหกโมดเทสงูเพื่อนคูดพู้เจ้าด่านะโอ้ดีมากเลยนะฮะเนี่ยไม่ใช่ยกย่องนะนี่แต่ขนาบนะพู้เจ้าเด้อชี้โทษนะไม่ใช่ทําง่ายๆอันนั่นก็มาดีนี่ก็มาดีเราจะทํากับพวกเธออย่างไม่ทะลุทะหนมเหมือนเช่าหมอ้อทํากับหมอ้อยังเปียกยังดิบอยู่ตี แบบแบบแบเพื่ออะไรทํำมาจิตตีเพราะให้มันเนื้อดีขี้โทษเนี่ยเป็นเรื่องดีทำไว้ไหนนี่ขี้ทษเราอยู่เมื่อวานเราก็ฟังปฏิโมกษ์กันจะเหมือนว่าเรานั่งต่อหน้าพระพักขององค์พระองค์แสดงสอนเราขี้ทษระวังตรงนี้ระวังตรง น, นี้ระวังตรง น, นี้ระวังตนนรงต น, นี้อันนี้ก็มาดีอันนี้ก็มาดีอันนี้ก็มาดี แล้วก็ฟังเราเอันนี้ล่ะมันตกแต่งเราเป็นผู้ชีข้ขี้ขมซ่อมเราแต่พระเจ้าที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีแล้วแต่ยังมีทำไว้ไหนเป็นศาสตราเทนพระพุูิเจ้าอยู่ยังอยู่กับพวกเราทำดีก็ดีทันทีทำชั่วก็ชั่วทันทีนี่คือของจริงเรามันหลงก็รู้เรามันทุกข์ก็รู้นี่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 เห็นไหมเวยลางเป็นลูกจิตก้นกติของอาจารย์ทำข้าวผ่าพื้นว่าได้พักผ่อนเลยไม่ได้มานั่งท่องเทศเหมือนพวกเหล่านี้ัวแต่ทำข้าวอยู่โน่นผ่พาพื้นอยู่โน่นทำอาหารให้คนจีนไม่เคยมานั่งฟังธรรมเลยแต่เป็นผู้บรรลุธรรมก่อนหม ในสังคะปรญยติองที่ห้าจะถ่ายทอดในองค์ที่หกต่อไปเป็นผู้นำหมคณะของสองฆ์ต่อไปให้เขียนสโลกเพื่อจะได้คัดเลือกเขาไม่ได้เลือกเอาตามชั้นวันนะเหมือนเมืองไทยเราฟองไทยเราต้องมีระดับคุณวุกศิษย์วัยบุิษย์เจ้าคนชั้นไหนชั้น สามัญชั้นลาดชั้นทมชั้นเทพจนถึงชั้นสมเด็จเือไปเรื่อยๆไปองไหนอวสชก็รับไปรับไปตามคิวไป <c oughs> แต่ว่ามหายานเขาจะต้องเอาคุณธรรมเขียนโศกดูสิสโลกยังไงลูกศิษย์ผู้ใกล้าอาจารย์ ขึ้นเขียนเลยชีวิตเหมือนกระจกเงามันเจ็ดมันถูอยู่เสม อ, อย่ายเส้าหมองได้ขึ้นกระดานไว้เจ็ดวันประกาศให้ลูกศิษย์ทั้งหลายมาเขียนกระดานจนถึงวันที่เจ็ดเว้ยหลางมัวเตรมข้าวอยางนั้นโอ๊ยไปดูขเขาสักหน่อยอาบน้ำออกมาก็มาดูชวนเพื่อนมา พาไปดูที่เขาเขียนยังไงอ่านหืัอไม่ออกเลยเพื่อนก็พามาดูชีวิตเหมือนกระจกเงาหวานเช็ดถูอยู่เสมออย่าให้ฝุนทุ่ดีมาก่อได้ไปหลังเขียนหนังซือไม่เป็นนะเขียนให้จักงหน่อยได้ไหมเขียนข้างล่างมานี้เขียนว่าไงเมื่อมันมีกระจกฝุนจะมาก่ะที่ใด ตา้งวันที่เจ็ดมาอาจารย์มาเฉลิมมาอ่านด้วยอ่านด้มีสองคนที่มาเขียนโลกขึ้นป้ายอาจารย์สังฆราชองค์ที่ห้าก็มาดูอันนี้ของใครเนี่ยเมื่อไม่มีกระจกคุณจะมาเกาะที่ใดเป็นของไว้หลงังว้หลังอยู่ที่ไหนอ่ะก็ททำข้าวพผพืืนอยู่นะไปเรียกมาหาจักหน่อย ตหนึ่งตีสองเรียกมาพบกับเราจังด่าก็เวลางมากะหมอมแม่มาลุกลุยลูกลุกลุยลูกกลุ่ยเหมือนแรง้งเสพสตายกายสุยเกียดขุ่งเตจิตท่า น, นมุ่งสู่มรคนิพพานฮใช่ไหมงามแต่มือไม่ใจไม่งามก็หมีเวล่างไม่งามเลยลุกลุ่ยเหมือนแรง้ง ลูกลุยลูกลุ ย, ลยามาดูดูจนคนผ่าฝืนจำข้าวมือี่โอ้ยอหลังนะเอาบาทเอาจีบรไปต่อไปเป็นสักรราชรงที่หกนะดูแลจงทั้งหลายเราเนี่ยรีบออกจากวัดตั้งแต่เช้ามืดยยให้่ใครเห็นนะอาจารย์ก็ลบสลกสโฆ์เขาลงพระในวัด ลกเฉียนในวัดเป็นละล้อยไม่มีเห็นใครได้รับสังฆาฏต่อไปถามใครก็ยังอยู่แล้วใครไม่อยู่ในวัดไหนไม่เห็นเวลาเวลาไงยไปไหนไปเส็จแล้วไปเป็นสังฆาฏแล้วถ้าอยู่ด้านกลัวจะเป็นอันตรายอาจารย์สั่งให้ออกจากวัดเนี่ยสังฆาฏเป็นคนฝ่าฟืน้น วราหองตาขึ้นไปลงทานไอ้ออกโอ๊ยไม่ได้ไปฟังเทศหลวงพอ่อมัวเตะธรรมา น, นั่นละเป็นวิลางแลนะนนดีละจะไปขัวทำขัวจอดมันพลิกรู้ได้ไหมฮะซอยฝากรู้ไม่ใช่แบบโอ้ยยากนะไม่มีใครช่วยไม่ใหญ่สร้น้กไปกับกันนานมันเข้มแข็งนะความยากความบากทำเราเข้มแข็งนะ อันดานี่ถูกหล่อห ล, อ, หลอมมนก็พร้อมทุกขมยากล้อยเกอร์เซนต์ไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่เคยรู้จักเอาวันตินไม่เคยรู้จักไฟใบโลไม่เคยเห็นมาม่าปีห้ารอยสิบเนี่ยไม่เคยเห็นมาม่านะคุณหมอเขา1สบบาทมาไอ้อะไรเนี่ยเขาอะไรนนอะเนี่ยมาเปิดดูถามใครก็ไม่มใครรู้ ไม่เคยมีใครเส่บาดมาม่าอะไรตอนนั้นเดินตามถนนทางไปมีรถมาโจ์เอาอมาม่ามาเส่บาดอะไรเนะ่ะไม่กล้าจินถามใครไม่รู้เลยหลวพ่อเทียนก็ไม่รู้จริงความทุกเแท้ๆหล่อหลอมเรามาก ต, ติก็หลังคาลู่วๆ เลาปเป็นตลาดได้ผลถุงพลาสติกมาเนี่ยจะไม่ทิ้งเลยจะล่างไาเอาไปเสียบไม้จงเอาเสอดเข้าไปในยากเพื่อปิดรั่วไหมครับทอไม่ใช่เรื่องสนุกสนานมันสร้างสรรค์คิดค่ในความอ่อนเอทำเราเชื่อมแข็งในความทุกข์ความยากที่เรามั่งมีได้เศรษฐีบางคนเนี่ยมั่งมีเป็นเศรษฐีเพราะความทุกข์ความยาก ความจนคนรวยทําให้เป็นคนยากจนก็ได้ถ้าประมาทนะเราอย่าไปลังเกียดเปิ่มทุกข์กลุมยากสู้เนาะเรามาโกรธเราอย่าพูดมองในความลึกซึ้งมองถึง พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธทั้งตนงังกัจจามิข้าเจ้าถือพระเจ้าเป็นชนะข้าพเจ้าจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เดู๋อย่างเงี้ยขึ้นมาตึงขึ้นมา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 มีพรลัตะลาตะไตหรือเปล่ามีเด็กน้อยอายุเจ็ดขวบแปดขวบพวกกันคุณมีพรลัดตะไตเมื่ออายุเท่าไหร่มีอายุหกเดือนเมอหกเดือนเนี่ยคุณยังอยู่ในคันแมนดานั่นแหละเรามีอายุตั้งแต่หกเดือนแล้วคุณมีได้อย่างไงอายุหกเดือนเมื่อนั้นเรามีอยู่ในคันมารดามารดาก็เราพาไปฟังเทศพระเจ้า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 ลูกมีพละตตันไตตั้งแต่อายุหกเดือนอยู่ในครันเขาแม่แลรานะนี่พระพุทธประทมประจงในใจเรานะเป็นการประกวดชนะหมู่เลยออ้ยเขาเจ๋งมากเพราะมีพลัตตันไตตั้งแต่อายุหกเดือนเราอันนี้ก็พมาขอปวดใช่ไหมไม่กี่วันมานี่ขอถึงพลัตตันไตตลอดชาเป็นอายุติดสามสิปีแล้วสู้เด็กน้อยอินเดียไม่ได้นะ ก็แม้จ ะ, ปะไปถอยหกตัวเลยนะอย่าทิ้งนะในหัวใจเราจะแยกเลยเร่อย่ที่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่ตรงนั้นนั่งอยู่นี่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, าพอให้เป็นคนเราเป็นคนดีคือว่าอาจารย์พาให้เราเป็นคนดีปิดามันดาพาให้เราเป็นคนดีอย่าทอดทิ้งนะอย่าว่าเราดีกว่าคนนั่งหลาย เราเจ๋งไม่ใช่นะผู้ที่พาเราเจ๋งเนี่ยคือพ่อแม่เราหัวาจารของเราพระพูดธประธรรมพระสงฆ์มันมีที่พึ่งอย่างนี่ไม่ต้องหลุดไปตกไปในทิชั่วได้ถ้าโกรธขึ้นมาก็เชื่อพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยากให้เราทุกข์ไม่อยากให้เราโกรธเห็นใจพ่อแม่ยังอยู่กับเรานี้มีพ่อมีแม่ไหม มีไหมอ๋อเดี๋ยวนี้ตรงตาก็ไม่มีพม่อแม่แล้วจะยงอยู่ในเนี่ยอยู่ในหัวใจเราเนี่ยมีหลวงพ่อเทียนอยู่ในหัวใจนะไอ้หลวงพ่อเทียนมไม่มีแล้วก็ปฏิเสธหลวงพวว่อเทียนไม่ได้ยังอยู่ในเนพระพุทธประธรรมมาสอนย้งอยู่หัวใจเราอยู่เนี่ย